ปฏิสัันจาีอันทว่างกายจะะสันติัตาปราชาชาติกาเจเสตุตังอัมิมปัจันะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสส พักวะโตอรหะโตสมมาสมบุติทัตสานโมทัตสาพักวะโตอรหะโตสมมาสมบุติทัตสาสังขาระปรมาดุขะติเตสังบุปสัโมสุขะติติ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 ท่านเป็นรัตันอยู่อายุหนึ่งร้ยห้าปีอย่างน้อยปราถนาอ้ยมีความสุขมีอายุมั่นขวัญยืนเหมือนอย่างหลวงปู่ประสิทธิ์จากความทุกข์ความประสิทธิ์จากความเจ็บความป่วยไข้เพื่อเราจะได้ประกอบคุณงามความดีไปมากๆด้วยอานิสงส์ที่พวกเราทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจมาประกอบในครั้งนี้ขอบุญอานิสงส์ทั้งหลายเหล่านี้